โอกาสนี่เป็นโอกาสที่ฟังไม่ใช่โอกาสที่พวกเราจะคุยกันถ้าโอกาสพวกเราคุยกันมีอยู่ออกไปคุยกันข้างนอกได้โอกาสนี่เป็นโอกาสฟังเตุดแม่หลวงพ่อก่อนที่จะพูดหลวงพ่อหลับตาพูดเลยออกมาจากใจจริง อ, ออกมาถ่ายเทออกมาจากใจใจจริงที่หลวงพ่อพูดนะเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่าน ถ้าว่าใครไม่อยากจะฟังหลวงพ่อก็ไม่ได้เชิญให้มาฟังนะแต่พวกเราสมัครใจฟังค่อยมาฟังถ้าไม่อยากจะไฟไม่ฟังก็ออกไปข้างนอกได้เพรามันกว้างขวางเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะต้องฟังเพราะเขามาฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการฟังพวกเราไปเข้าโรงเรียนก็คือต้องฟัง ตาดูหูฟังใจสำเน็จใจนึกคิดไปตามที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนผู้เขาพูดเขาก็ไม่ได้บังคับให้เราเชื่อทีเดียวถ้าข้าพระเจ้าพูดไปนี่ท่านต้องเชื่อนะ <c oughs> ก็ไม่มีองค์ไหนใครที่จะพูดอย่างนั้นได้มีแต่ว่าแนะนำให้ฟัง เ, เมื่อเราได้ฟังแล้วสติปัญญาของเรามีเท่าไหร่ เราก็นำมากานกรองไต่ตองความเชื่อและไม่เชื่อมันอยู่กับตัวของเราเองถ้าพูดขึ้นมาแล้วเราไม่เชื่อเราเป็นสิทธิ์ของเราอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านเทศนาว่าการถ้าผู้ใดเชื่อปฏิบัติตามก็ได้จําำเร็จเป็นพระอรหันต์อาณาคามีพระสกทากามีพระโสดาบันหรือถึงพระไตรสาระคมก็มีแต่บางคนฟังไว้แล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ ตกนรกก็มีอีกมีมากเหมือนกันหรือไม่เชื่อเฉยๆก็นำใส่หัวท่านนั่นก็มีอย่างท่านไปเจอกับชีวกเดินทางมาสมณะท่านทาไมมีร่างกายมีสวีบวันผดผ่องเหลือเกินท่านชอบใจในทในธรรมของใครเพราะพุทธเจ้าก็พูดตรงๆง เราเป็นผู้ตัดสู้เองโดยชอบเราเป็นสยาผพูนชีวคนสายหัวขี้คุยขี้คุยขี้คุ ย, คยวงจวายอย่างนั้นเนะเดินหนีเลยนี่แหละไอ้ผู้ที่ไม่เชื่อมันก็มีอยู่คอยนั้นเราจะไปบงับงคับให้คนเชื่อไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ต้องฟังในเมื่อฟังมีเหตุมีผลแล้วเราก็นำไปกันกรองไตรตรองอีก เพราะธรรมะไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอย่างลุงพ่อนี่ได้มาลุงพ่อก็ไม่ได้ได้มาจากตัวเองได้มาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวเราเข้าใจอย่างไรเราก็ได้นำธรรมคําสอนนั้นออกมาบอกกล่าวให้คณะสะทัทยาญาจอมได้ยินได้ฟังวันนี้เป็นวันที่24 ธันวาคมพุทธศักราช2559เย็นนี้เป็นวันเสาร์พวกเราได้มาร่วมมารวมกันเจริญไหวพระสวดมนต์และก็วันพรุ่งนี้จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีอย่างทุกเดือนที่ผ่านมาเพราะอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เ, อเราจะมีการทอดผ้าป่าแต่ปีนีเ้เดือนนี้นะมันเป็น วันที่2 9 3สมันเป็นวันอาทิตย์แต่ทางท่านผู้อาจารย์สุดใจทางคุณชายป๋ำท่านก็เลย ข, ขอล่นมาให้เป็นวันที่25า้าอ่าเป็นวัน เ, เป็นวัน อ, อาทิตย์ถ้าหากว่าเราเอาวันที่ส0มันใกล้กับวันที่หนึ่งเกินไปกระทำให้ไม่สะดวกสำหรับครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมมารวมกัน เพราะนั้นจึงล่นมาเป็นวันที่25เป็นวันอาทิตย์ที่25เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาติโยมทุกท่านพวกเราจะทําบุญตามขนบรู้ว่าตามที่ได้ไดกําหนดกฎเกณฑ์กันไวนะ้แต่พอคณะสงฆ์คณะทายาทโยมได้เห็นพ้องต้องการว่าอาทิตย์สุดท้ายพวกเราควรจะมารวมกันทอดผ้าป่าสามกีเพื่อ หาทุนสมสมทบทุนให้กับสวนแถงธรรมแห่งนี้เพราะสวนแสงธรรมแห่งนี้หลวงตาท่านได้มาสร้างไว้แล้วเป็นมรดกของพระลูกพระหลานของคณะสัทธาญาติโยมเป็นแหล่งสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นพวกเราจึงได้มารวมกันเพื่อหาทุนเพราะค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็มีมากพอสมควรโย แต่ที่ยังไงพวกเราท่านทั้งหลายก็ช่วยกันที่ผ่านผ่านมาก็ไม่มีปัญหาแต่ตลวงพอเท้าวความให้ฟังสําหรับศรัทธาญาติโยมผู้ที่ยังไม่เคยมามาเจอมาพบ ว, วันนี้เอ๊เขามีจุดประสงค์อะไรที่มาทําอย่างนี้เพราะนั้นผู้ที่มาแล้วก็ไม่มีปัญหารู้อยู่แล้วนะเมื่อรู้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาให้คนที่ไม่รู้นะ พวกพุกหลวงพ่อพูดให้ท่านผู้ไม่รู้ฟังแต่ถึงยังไงก็ตามนะอันนี้เป็นการสั่งสมบุญกุศลถึงจะทำเมื่อไร่หรืออย่างไงก็ตาม เ, เราสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราสร้างบุญเราสอบแสวงหาทรัพย์ภายนอกออตั้งแต่เรารู้จักเรียงสาภาวะตั้งแต่เรียนหนังสือ เมื่อเรียนหนังสือ เ, เรียนเพื่อจะได้ทำการทำงานเพื่อจะได้เอาวิชาความรู้นั้นมาประกอบสำ ม, มาชีพแต่พวกเราก็ได้ประกอบสำ ม, มาชีพขึ้นมาแล้วนะอย่างที่พวกเราทุกทุกท่านวิชาอาชีพแตกแตกแตกต่างกันอันนี้คือเราสสแสวงหาทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงชีพของเราแต่ถึงยังไงไม่พอในหลักของพุทธศาสนาและทันวายาง อันนั้นเปลี่ยนแต่เพียงเรื่องเลี้ยงร่างกายให้เป็นอยู่เป็นวันวันเดือนๆนปีปีชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นไม่พอต้องหาธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจด้วยนี่คือหาอาหารเข้าสู่ใจด้วยอันนั้นคืออาหารร่รางกายคือข้าวน้ํำพอชนาอาหารปัจจัยสี่นะี่อันนั้นคืออาหารกายส่วนอาหารใจคืออาหารธรร ม, มะนี่ คือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมสิงสมาธิปัญญาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอันนั้นคืออาหารทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงไม่ได้นิ่งนอนใจในการหาปัปจจัยสี่เลี้ยงร่างกายเราจึงส่อแสวงหาคุณงามความดีสร้างสมบุญกุศ ล, ลมาไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ะ อันนี้การล้วนแล้วแต่หาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงอ้ว น, วนท้วนสมบูรณ์อิ่มมีพีมันขนาดไหนไม่ขาดตกบกพร่องในปัจจัยสี่แต่ถึงจะเลี้ยงขนาดไห น, นาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งก็เห็นผมขาวเห็นฟันหลุดหนังเหี่ยวตาฝ้า ฟ, า, ฟางหูตึงพอใสนสขขณะเห็นตัวเอง นอนอยู่โรงพยาบาลหรือนอนอยู่กับหมอนนอนกับเสื่อไปละท่นนี้เพราะอะรเพราะมันแก่มันไปไม่ได้มันหมดกําลังผลในสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็มีเพียงแค่นานเพราะนั้นมันไม่จบแต่เพียงแค่นั้นของหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาโดยระหว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้นะละว่าตายแล้วไม่สูญเนะนี่ยน ะ, วาายะนยนะพวกเราควรจะศึกษาทีนี้ เราศึกษาตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจงเหลือตายตายแล้วไม่สูญทํายังงจะรู้ได้ยังไงเนี่พระพุทธเจ้าจะก็ให้พิสูจน์น่คือนั่งสมาธิในเมื่อนั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างจากนั้นก็ใจของเราสงบพอใจสงบเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ตายแล้วไม่สูญจริงตัวใจคือตัวผูรูน้นามธรรมไปก่อพบก่อชาต ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆได้นี่แหละอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาแต่ในช่วงนี้หลวงพ่อพูดที่ไหนที่ไรหลวงพ่อไปกดที่จะพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราไม่ได้ที่พระ อ, องค์สวรรคารายไปเมื่อวันที่13ตุลาก็เป็นที่รู้กันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านประกอบคุณงามความดีนะัถานที่ใด ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลที่ใดให้ทานรักษาศีลหรือนั่งภาวนาณสถานที่ใดก็ขอให้พวกเราเถวายคุณงามความดีนั้นบุญกุศลที่เกิดจากการทําคุณงามความดีนั้น เ, เป็นถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดวงวิ ญ, ญญาณของพระองค์ท่านสิงสถิตยอยู่ณนะทิณใดที่ใดถ้าว่าตกทุกข์เราก็ไม่คิดว่าพระองค์จะตกทุกข์หรือพระองค์ประกอบแต่คุณงามความดี เรีวยกว่าพระ อ, องค์อยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้รับรู้รับทราบว่าพวกเราได้ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงพระเจริญยิ่งด้วยยศลาบยศสรรเสริญในสถานที่พระ อ, องค์เกิดให้ประสงค์วัดขึ้นในจุดนั้ น, น, น อันนี้พวกเราก็มีแต่ส่งบุญส่งกุศลไปถวายพระ อ, องค์พระ อ, องค์ท่านเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีถ้าเรามองนี้เลี่ยมเหลี่ยมไหนมุมใดใดก็ตามนะพระ อ, องค์เป็นคนดีถ้าเพ่งมองมุมมองในทางพระพุทธศาสนานะที่พระ อ, องค์วางตัวอย่างไรถ้าจะเปรียบเทียบกับสิงขาลมานพ คือมานพในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าไปแสดงทำให้ฟังเรียกว่าไปโปรดสิงขาลมานพอยู่ที่กรุงราชคฤห์สิงขาลมานพเป็นบุตรของเศรษฐีจากนั้นพอเป็นหนุ่มขึ้นมาอายุ 15-16 พ่อก็ส่งไปเรียนที่เมืองตะกะศีลาพอเมืองตะกะศีล า, าเป็นเมืองวิ ช, ชาในยุคสมัยนั้นนะ แต่นี้นก็ส่งไปเรียนหนังสือเมืองตะกะศิลาเพราะเมืองตะกะศิลาเป็นเมืองทิศปาโมกอาจารย์เป็นเมืองที่ใครจะจะเรียนวิชาไหนมีมุมดทุกอย่างในเมืองตะกะศิลานั้นจากนั้นเศรษฐีก็ส่งลูกชายไปเรียนพอเรียนจบจากวิชาเมืองตะกะศิลาแล้วนะก็คงจะเป็นหนุ่มใหญ่พอสมควรคงจะยี่สิบกว่าปีกลับมา พอกลับมาแล้วมาพ่อป่วยใช่ไหพ่อที่เป็นเศรษฐีเนี่ยป่วยอาการหนักนะอคอยคงจะคอยวันคอยคืนคอยลูกชายเนี่ยพอลูกชายก็กลับมาก็เห็นพ่อป่วยพ่อก็เรียกควักมือเข้ามาหาเนยะมาก็จับมือลูกชายลูกเอ้ยพ่อเนี่ยก็คงอยู่ไม่นานแล้วว ะ, ะคงจะจากลูกไปแล้วข้าวันลูกนะให้บริหารจัดการเนือ้อทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ หามาให้เนี่ยให้ลูกมอบให้ลูกชายเนี่ยให้ลูกนะเป็นผู้บริหารจัดการแต่ลูกจะบริหารจัดการทรัพย์สมบัติถ้าอยจะให้เจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติและการเป็นอยู่นะให้ลูกเคารพคาระวะทิศทั้งหนะลูกนะนอบน้อมต่อทิศทั้งหคาระวะต่อทิศทั้งหกราบไหว้ต่อทิศทั้งหกท้าวว่าลูกนอบอ่อน นอบน้อมคารวะกราบไหว้ต่อที่ทั้งหัมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะ่ผู้พ่อบอกอย่างงาั้นจากนั้นพ่อก็เลยไม่ได้พูดอะไรคงจะทําอาการงคงคงหนักขึ้นเวทนาคงหนักขึ้นท่านก็เลยได้มรณะไปนะที่มรณะไปแล้วแต่นเนีลูกชายนี่ก็เอ๊แล้วก็จัดงานศพของพ่ อ, อจัดงาน พ, พ่ออย่างสมเกียรติพร้อมกับบรรดา บริวารพวกจัดญาติทั้งหลายจัดงานพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คําพ่อที่พ่อสั่งนั่นนะให้นอบน้อมกราบไหว้คาระวะต่อทิศท้งหกนะปฏิบัติต่อทิศทั้งหกนะลูกนะคํานี้น่ะมันสะเทือนหรือมันต้องอยู่ในจิตใจของสิงาหาลมานพจากนั้นพอจัดจบงานจ บ, เ ร, บเรียบร้อยแล้วสิงาหาลมนพบก็ <c oughs> ออกไปในอยู่ในที่ ที่ว่างคนทวัสนามบังที่วงว่าท้องนาบังและที่ที่ไม่มีใครคนใค ร, คใครภัยพวกพ่านนะเหมือนกับออกไปออกกำลังกายลักษณะอย่างนั้นแหละจากนั้นสิงขาละมานพกออกไปปอกไปแล้วก็ไปคารวัทิศทั้งหกนะพอไปยืนแล้วก็คิดถึงคำพ่อสั่งนะพ่อสั่งว่าให้นอบนอบ้อมกราบไหว้ค า, ารวัตทิศทั้งหกนะดูกเนะ้อจากนั้นก็ สิงขาลมานบะยกมือไหว้ทางทิศตะวันออกนะอาทิตย์หนึ่งในตะวันออกแล้วก็ยกมือไหว้ทางทิศตะวันตกอาทิต 3, ย์สองยกมือไหว้ทางทิศเหนือเป็นทิตย์สามยกมือยกมือไหว้ทางทิศใ ต, AF, เต 5, ้เป็นทิศยสี่ยกมือขึ้นไหว้บนอากาศบนท้องฟ้าเป็นทิศย้ายกมือไหว้ลงแผ่นดินเป็นอาทิตย์หกแปลว่าสิงขาลมาโนบะ นอบน้อมกราบไหว้ทิศทั้งหกอย่างที่พ่อสั่งอย่างเคร่งครัดฝนตกแดดออกหนาวหิมมากขนาดไหนก็เะสิงค้านมาน็อกไม่เคยขาดเลยเพราะว่าต้องคันต้องการความเจริญรุ่งเรืองในการเป็นอยู่จากนั้นตะแก่ก็ทำเป็นประจำเด็กหนุ่มนะทีนี้พระพุทธเจ้าของเรา สเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ที่วัดป่าเวทุวันเป็นวัดของพระเจ้าพิมพ์ที่สารสร้างถวายจากนั้นวันหนึ่งพระองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านเข้าสมาธิตอนใกล้รุ่งนะคือพระพุทธองค์ตอนใกล้สว่างพระองค์จะเข้าสมาธินะเข้าฌานนะพอเข้าฌานแล้วก็สายเลดา้าไปดูว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายใครเป็นผู้มีบุญที่จะได้ให้ไปโปรดไปโปรด ไปสงเคราะห์ในชีวิตของเขาจะหาไหมแล้วว่าเขาจะได้สําเร็จมั่งสาเร็จผลชั้นไหนลูกชุมชนกลุ่มไหนพระ อ, อ, องค์เป็นพระพุทธไตรเจ้านะใช่ไหมท่านมองตรวจตราดูโลกทั้งโลกเลยนะท่านก็มองไปสายเลด้าไปคือกระแสะพระไทยคือกระแสะใจของพระ อ, องค์นะไปไปเห็นสิงขารลมานพสิงขารลมานพตื่นเช้ามากขาก็กไป ไปก่ยกมือไหวอย่างที่ว่าเนี่ยเอ๋สิงคารมาโนปิธรรมไม่ถูกแล้วตามขนบธรรเนียมประเพณีของโบราณอาจารย์ที่นักปราชญอาจารย์เขาสอนมาแต่เก่าแก่สิงคารมาโนปิธรรมไม่ถูกทำอย่างนีเ้เราจะไปถามเขาไปโปรดเขาเนี่ยเขาจะฟังหรือเปล่าหน้านพ่อองก็โอสิงคารมาโนปเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนมีสติปัญญาพร้อมที่จะ น้องรับเริ่มพร้อมที่จะฟังเหตุผลกับคนได้ไม่ใช่คนแข็งกล้าวมไม่ใช่คนแข็งกระด้างเราควรจะไปทําความเข้าใจกับเขาจากนั้นพระองค์พอสว่างขึ้นมาพระองค์ก็เสด็จไปกับพระอานนท์พระอนนท์เป็นปัจฉาสมณะคือเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พระอนนท์ก็อุ้มบาทของพระพุทธเจ้าเดินตามหลังไป พระองค์คงมีจุดประสงค์ว่าตจงเดินผ่านไอตรงสิงขารมานบที่เขายกมือไหว้ปลุกไปปลุกมานี่ยนะเขานอบน้อมทิศทั้งหแต่นี้พอเดินผ่านไปท่านก็ถามว่าสิงขาลมาโนบแต่แกทําอะไรเธอทําอะไรสิงขาลมานบกระราบภูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ออมาออกมาแสดงวเคารพคารวะอ่อนน้อมกราบไหว้ทิศทั้งหพระเจ้าผ่าน พระองค์บอกถามถามว่าใครเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกสอนละ่ะแนะนําให้ทำละ่ะบิดาของผมเองครับผมเพราะบิดาก่อนที่ท่านจะจากไปท่านก็บอกว่าให้ถ้าหากว่าต้องการความเจริญรุ่งเรืองในการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่การเป็นอยู่แล้วสถานะที่จะดีขึ้นนั้นต้องอ่อน้อมกราบไหว้ที่ทั้งหกพระเจ้าข้าข้าบองค์จะได้มาปฏิบัติตามที่ บิดาของหรือคุณพ่อของผมสั่งครับผมสิงคาลมานบไม่น่าจะถูกนะตามโบราณการตามประเพณีของบัณฑิตนักปราชญ์เขาสอนกันมาเนี่ยเขาแนะนํากันมาเนี่ยเธอทํานี่ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกนะเธออยากจะศึกษาไหมเธออยากจะฟังไหมเราจะสอนเราจะบอกเราให้ฟังสิงคาลมานบเป็นคนอ่อนน้อมอยู่แล้วใชอยากจะฟังพระเจ้าข่า อขอพระองค์โปรดเมตตาแสดงให้ข้าพระองค์ฟังด้วยสิงขาลมานุคนโบราณเขาบอกเขาแนะนําบอกกล่าวกันว่าทิศทั้งหกไม่เหมือนไม่เหมือนที่เธอทํานะเธอทําในทิศตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศสูงทิศ ต, ต่ําอะำแต่โบราณอาจารย์เขาสอนกันเขาไม่ได้ว่าอย่างนี้ทิศเบื้องหน้า มารดาบิดาบุตรที่ดาควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อบิดามารดาแ่ท่านควรจะทำความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรกับบิดามารดาเทิศเบื้องหลังสามีภรรยาควรปฏิบัติตนอย่างไรในสามีในภรรยาจึงจะถูกต้องทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์จะทำอย่างไงจึงจะถูกต้องในการเป็นอยู่ทิศเบื้องขวา เมื่อเราเรียนวิชาวความรู้จากครูบาอาจารย์แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรตีสหายต้องคบกัญญาณมิตรอย่าไปคบคนพานอย่าไปคบคนชั่วถ้าว่าคนตัวเองคนเดียวนะ่ะทำมาค้าขายจะทํำยังไงไม่เจริญนะไม่มีหมู่มีเพื่อนมีพรรคมีพวกต้องมีแต่ต้องมีก็ต้องเลือกกัลยาณมิตร อาทิตย์เบื้องขวาอาทิตย์เบื้องซ้ายมิรสหายนทิต์เบื้องบนสมณะพรามคือนักโทษนักบวชที่เราเข้าไปหาศึกษาธรรมะกับท่านสิ่งที่ท่านได้ศึกษาทิ่นได้เรียนรู้มาท่านก็นเรียนตามตำลับตำราเรียนมาจากครูบาอาจารย์เรียนมาจากวัยวุฒิคนวุฒิของเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา เมื่อเราเข้าไปศึกษาเราไปเรียนท่านก็นจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรอันนี้ทางไปสูน่นรกอันนี้ทางไปสู่สวรรค์เอออันนี้เป็นทางหายาณนิยธรรมนะนะ ท, นะท่านจะแนะนําสั่งสอนสมณะพรามจะแนะนําสั่งสอนพวกเราเ อ, อ่อพวกท่านและก็บเบื้องต่ําก็คือลูกน้องบริวารต้องเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกกับลูกน้องบริวารถ้าเราเอาเปรียบเอา รัดลูกน้องเกินไปลูกน้องก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นฉุดคนน่ะตัวเองก็อยู่ตามลำพังได้ยังไงไม่มีลูกน้องบริวารเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงลูกน้องออต้องดูแลลูกน้องนี่แหละคือทิศทั้งหค่ะเพราะนั้นทิศเบื้องหน้านี่คือบิาดามารดาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจวัตรของท่าน ดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือคิดเบื้องหน้าปฏิบัติบุตรที่ดา่าบุตรหญิงบุตรชายควรปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เ, อเมื่อท่านเลี้ยงดูลงมาเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านผลที่สุดเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ไม่ได้วางเฉยต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอีกดวงวิญญาณท่าน ไส้สิงสถิตอยูนะ่ณที่ใดทิณใดเรามีร่างกายมาจากท่านพ่อแม่เป็นผู้ให้ร่างกายของเราเราเมื่อมีร่างกายอยู่เราก็สแสวงหาทรัพย์แต่แล้วเมื่อการอันควรเราก็ทําบุญอุทิส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ของเราดวงวิญญาณพ่อแม่อยู่สิงสถิตอยูนะ่ณที่ใดทินดใดคอยมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพรเจ้าเนอะน่ยเราต้องไปคิดอย่างนั้นอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยา สามีก็มีสิทธิ์ภรรยาก็มีสิทธิ์ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าออกนอกลูก่นอกทางอย่าไปทะเลถลายแหมว่าสามีก็อย่าทะเลถลายภรรยาก็อย่าทะเลถลายให้รักเมตตากันสามีภรรยาคู่นั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกถ้าสามีภรรยาไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วจริยธรรมที่ดีแล้ว มีแต่ครอบครัวแต่สรุปผู้พ่ายเพราะเหตุไรเพราะว่าออกนอกลูก่นอกทางอันนี้คือทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นบุพพ า, ารย์ท่านหนึ่งสอนบุตรธิดาคนค น, คนแรกนะให้อาบน้ําอย่างนี้นะั่กินข้าวอย่างนี้นอนอย่างนี้นะครับทายอย่างนี้นั่งนุ่งผ้าอย่างนี้เรียกพี่ป้านะ้าอาอย่างนี้นะอันนี้คือพ่อแม่เป็นบุพพาจารย์ เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาเมื่อพ่อแม่สอนพอสุงกวนแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียน ป, ปถมอนุบาลปถมมัธยมแล้วก็ปริญญาตรีโทเอกชุดแท้แต่พ่อแม่ในตระกูลนั้นเขาจะมีกำลังส่งให้ลูกตัวเองเรียนจนสุดความสามารถอันนี้แหละจากนี้ครูบาอาจารย์กับเป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิของตนเองให้ได้สติให้ได้ปัญญาให้ได้ความรู้ ครูบาอาจารย์ก็ทุ่มเทเราก็เป็นสิทธิ์ในก็อ่อนน้อมถ่อมตน เ, เพื่อจะได้วิชาความรู้จากครูบาอาจารย์นี่แหละให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะได้วิชาจากครูบาอาจารย์วิชามันมีมากในโลกนี่ตั้งแต่วิชาขับรถวิชาตัดผมวิชาทําอาหารวิชาตัดเสื้อผ้าวิชามีอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะไปหมด อ, อจนถึงปริญญาตรีโทเอกนั่นอ่ะ อ, อันนี้คือวิชา เราจ้องเรียนจากครูบาอาจารย์แต่เทเ็ดเบื้องซ้ายมิตรสหายอันนี้มิตรสหายก็คือหมู่พวกเพื่อนเราต้องเลือกคบกัลยาณมิตรมิตรที่ดนะีถ้าคนมีมิตร ท, ที่ดีการทํามาค้าขายก็ซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันแล้วก็มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจต่อกันไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงหลอกลวงกันไม่ตอแหลถ้าว่าเป็นมิตรสหายที่ตอแหล ต้มตุนหลอกลวงกันไม่มีความสัตย์จริงอันนั้นเป็นปลาประมิตรไม่ควรครบครบกันระยานมิตรมิตรที่ดีนี่แหละทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสั ม, มณะพราหมณ์พวกเราเข้าไปหาเข้าไปศึกษากับท่านครูบาอาจารย์มีความเห็นยังไงความาเรามีความเห็นอย่างนี้กาบเรียนกับถามท่านครูบาอาจารย์ท่านได้ศึกษาได้เรียนมา ท่านก็จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้เราไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมจากนั้นลูกน้องบริวารทิศเบื้องต่าคือบ่าเบาคือลูกน้องบริวารเราจะเอารัดเอาเปรียบเขามากจนเกินไป เ, เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ให้อาหารได้ลางวันให้หยุบให้ยาเขาดูแลครอบครัวของเขาเขาเมื่อเราเห็นเราดีมีน้าใจเขาก็ทางานช่วยเจ้านายถวาย หวยต่อเจ้านายเลยเนพะราะเหตุใดเพราะเจ้านายให้ความ เ, เมตตากับเขาเนี่ยนี่แหละถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกต้องตามนั้นแล้วมีแต่ความเจริญเจริญโดยส่วนเดียว น, ะนี่แลเรามาคิดมาพิจารณาดูที่หลวงพ่อยกเป็นเบื้องต้นว่าพราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพวกเราคิดดูสิท่านทํากับพระราชช น, นีเป็นยังไงขาดขาดตกบกพร่องไหมพระ อ, องค์ทํา หาที่ติไม่ได้กับพระราชชนนีจากนั้นพระองค์อยู่เบื้องหลังคิด เ, เบื้องหลังสามีภรรยาพระองค์ก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอีกเหมือนกันคิดเบื้องขวาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาท่านก็ให้ความเคารพในที่องค์ขมนตรีทั้งหลายแหล่ที่ท่านเป็นอาจารย์ของท่านท่านก็ให้ความให้เกียรตินาะยกย่องออคําว่า บดองคมลตีเนี่ยไม่มีจนอายุเกษียนจนมรณะไปทุกคนคนนะ่ะอันนี้นะท่านก็ให้เกียรตินะในหลวงของเราแล้วก็คิดเบื้องซ้ายมิตรสหายท่านคนเนี่ยสหายต่างประเทศสหายที่ไหนๆพระองค์ก็สงสารไปแสดงความเสียใจแสดงความยินดีต่อมิตรต่อสหายทั่วโลกเนี่ยพระองค์ก็ทำไม่มีขาดตกปกพ่องอีกเหมือนกัน เทศเบื้องบนสัมณพรามถึงพระองค์ปินเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็ยังศึกษาสมเด็จญาณสังวรที่เป็นอาจารย์ของพระองค์ท่านจากนั้นก็ไปกราบลงปูเขาลงปูฟัน่นลงปูแวนลงตามหาบัวท่านก็ไปหาสัมณพรามอันนี้ก็ไม่ขาดตกบกพ่องอีกเหมือนกันนะรัฐเทศเบื้องต่ําท่านก็ไม่เคยที่จะเบียดเบียนใครถึงท่านจะมีอํานาจขนาดไหนก็ตามกับประสบนิกรของพระองค์ท่านยังให้เมตตา มีอะไรก็อย่างพระราชทานเพลิงอภัยโทษอะไรต่อมีอะไรมากมายแต่ละครั้งนี่แหละสรุปแล้วคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราพวกเราคิดดูสิถูกต้องไหมที่หลวงพ่อได้พูดนี่นะเอะมันเป็นแนวทางพระองค์ทมถูกต้องต่อทิศ ท, ทั้งหกอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่แหละอันนี้ก็คือโครงการต่างๆที่พวกเราได้ฟังจากโทรทัศน์วิทยุสื่อต่างๆ ล้วนแล้วจะมีพระองค์ทําคุณูปการให้กับประเทศชาติต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นเมื่อพระองค์จากสวรรคาไรไปแล้วนะพวกเราไม่มีอะไรจะทดแทนพระคุณของท่านนอกจากประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีคิดดีทดําดีพูดดีพวกเราเมื่อทําดีแลว้วก็น้อมความดีนั้นเป็นเป็นถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทส้มเดจพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา นี่แหละอันนี้แหละเลิศประเสริฐที่สุดเออดีกว่าพวกเราจะร้องโ h ม m ร้องให้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกเออบางทีก็เศร้าซึมได้อะไรละ่ะมีแต่ได้ความทุกข์ความเศร้าซึมในใจถ้าเราปลุกจิตปลุกใจของพวกเราเออให้เป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี ส, สิ่งไหนที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทําตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ปีใหม่นี้ละข้าพเจ้าจะงด สิ่งที่มันไม่ดีอบายมุกทุกอย่างข้าพเจ้าจะไม่โกรธให้ใครโดยไม่มีเหตุมีผลไงอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างอย่างไหนที่มันที่เราตัวของเรามันแก่ยากๆข้าพเจ้าติดปุียข้าพเจ้างดจะงดบุ๋ยโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะงดเหล่าโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะงดการพนันโดยเด็ดขาดข้าจะมากข้าพเจ้าจะไม่ทะเลาะกับสามีภรรยาลูกเอจะไม่โกรธให้ใครง่ายๆต่อหนี้ไป นี่แหละให้พวกเราสํารวมกายวาจาใจของเรานั่นแหละเลิศประเสริฐคือสรุปแล้วก็คือประกอบคุณงามความดีบูชาพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนะ่ยเลิศประเสริฐนะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่พวกเราไปนําไปกันกรองไตรตรองดูซิถูกต้องไหมที่หลวงพ่อได้แนะนําบอกกล่าวไปถ้ามันถูกต้องแล้วก็เอาพวกเราก็ควรจะสํารวมระวังนะ่ะ อันนี้คือการเป็นอยู่การบริหารจัดการต่อทิศทั้งหกระอบบริหารจัดการในสิ่งแวดล้อมระบบริหารจัดการในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ถึงยังไงก็อย่าลืมที่หลวงพ่อเน้นหนักไว้อยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สูญ น, นี่แหละตัวนี้ให้พวกเราศึกษาเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้แล้วที่นท่านได้เป็นไปค้นคว้าศึกษาใน โคนต้นโพเอที่พุทธกยานะ่ที่ท่านภาวนาทำจิตใจให้สงบท่านรู้ได้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอ่วิญญาณดวงนี้ใจดวงนี้นะ่ะเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงค่ะเออเกิดตายออกจากชาตินี้ไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทางนั้น ถ้าว่าเรามีบุญเมื่อตายไปแล้วบุญกุศลเข้าไปเครื่องสนับสนุนก็ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมไปชั้นไหนก็ได้ถ้าเราชำระกิเลสภายในใจของเราได้หมดกิเลสราคะโทสะโมหะเราจิตใจตรงนี้ก็ บ, บริสุทธิ์เข้าสู่นิพพานฮะนี่แหละอันนี้ขอให้พวกเราคณะจทธายาตโยมตัวนี้ศึกษานะศึกษาเรื่องของใจไม่ใช่ วิชาพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาหวยนะวิชาเป็นวิชาหรือภพหรือชาติไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นวิชาที่ละเอียดอ่อนเป็นวิชาที่ละเอียดยิ่งกว่าวิชาในโลกทั้งหลายถึงวิชาในโลกทั้งหลายถึงจะเป็นวิชาขนาดไหนก็เถอะนะวิชาในโลกเนี่ยมันวิ่งตามกระแสเท่านั้นแต่วิชาของพุทธศาสนาวิชาทวนกระแสนะแค่ว่าทวนกระแสคํานี้คืออะไร คือวิชาทางโลกเนี่ยแต่พอเราตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดแหะใช่ไหมล่ะแต่พอคิดขึ้นมาเนี่ยนะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนึงวิเคราะห์เรื่องนั้นวิเคราะห์เรื่องนี้เรื่องวิเคราะห์เก็เขียนเป็นตํำรับตาราออกมาใครเขาคิดไปเรื่อยคิดไปมากบางคนก็คิดแง่หนึ่งบางคีก็คิดแม่หนึ่งต่างคนต่างคิดนะมันไม่คิดไม่เหมือนกันนะบางคีก็คิด หนังสือบางบางทีก็คิดตัวเลขบางบางทีก็คิดเครื่องยนต์กลไกบางบางทีก็คิดคอมพิวเตอร์บางบางทีก็โทรศัพท์วิทยุบางทีเกิ็นาซาก็คิดไปเรื่อยถึงดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปนี่แหละการคิดของคนไม่เหมือนกันแต่สลปแล้วก็คือคิดตามสัญญาสัญญากับสังขารคือความปรุงแต่งสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งของจิตของใจ จากนั้นก็ปรุงแต่งไปคนนี้ได้ครัมาต่อขนาดนี้คนที่2ต่อเติมได้อีกมากขึ้นไปอีกข้อที่สมต่อเติมอีกสรุปแล้วคือวิชาในโลกนี่เรียนไม่มีที่เส้นสุดนะไม่มีที่สู่กว้างขวางไปเลยแต่ละวิชาแต่ถึงยังไงก็ตามวิชาแต่ละวิชาอย่างวิศวะเนี่ยหรือสถาปนิกก็าตามเขาต้องทำซะก่อนเขาจึงเขียนเป็นตําราออกมาเรื่องวิศาวิชากเกษตรก็เหมือนกัน เขาปลูกซะก่อนเขาได้รับผลซะก่อนเขายังเขียนตำราออกมาออันนี้แหละคือวิชาเออแต่วิชาของพุทธศาสนาเนี่พระพุทธองค์ไปค้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดเออเหมือนกับเราส่องไฟฉายนะงพ่อว่าเขาบีบไฟฉายนะ่พอบีบเปิดไฟฉายปั๊บขึ้นมาแสงสว่างจ้าไปนะ ไปเห็นต้นไม้ภูเขาไปเห็นสัตว์สาราสิงไปเห็นผู้คนไปเห็นตึกตึกลานบ้านช่องไปเห็นอะไรต่อมิอะไรเพราะเราส่งส่งกระแสไฟไฟฉายส่องออกไปนะเราก็เราก็คิดตามที่เราไปเห็นไปเห็นช้าง เ, าเราก็คิดเรื่องช้างวิเคร า, าะห์เรื่องช้างตัวตาเรื่องช้างมันกินยังไงมันอยู่ยังไง ไปเห็นม้าก็คิดเรื่องมา้าไปเห็นสัตว์ตรตะตาอยากหลังจากนั้นกับเห็นคนเดินช้าเราคิดเรื่องรถขึ้นมาเพื่อจะให้คนนั่งรถไปได้อาจารย์นก็มาคิดเรื่องวิธีช่างสร้างเครื่องบินให้เหาะได้ เ, เหมือนกับนกนะเป็นล้วนแล้วแต่เป็นวิชาสัญญากับสังขารมันปรุงแต่งแต่วิชาของพุทธศาสนาเนี่ย มันออกไปจากไหนวิชาเท่านั้น ท, ที่เรียนรู้ต่ า, ตางๆทั้งเครื่องทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากไหนออกไปจากไฟฉายออกไปจากไหนออกไปจากหัวเทียนอ อ, ออกออกไปจากหัวเทียนไฟฉายท่านก็ย้อนความรู้สึกเนื้อคิดนะย้อนเข้ามาหาหัวเทียนพอหัวเทียนนั้นก็ดับสวิตต์ตับไฟมันก็ดับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงหมดมันออกไปจากใจทั้งหมด สรุปแล้ว น, ะนั่นแหละท่านวานะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเยาวมัณโนโปุพังขมาธรรมามโนเสรษามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละพระองค์ท่านค้นคว้าศึกษาอย่างนี้นะคารตะตาญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะนั่นอาฟิชชาของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าเรื่องทั้งหลายออกไปจากจุดนี้ แล้วทำทาไม เ, าเรื่องจุดนี้มันเป็นยังไงนี่แหละถ้าว่าเราอยากจะรูเ้เรื่องของใจเป็นยังไงไม่มีทางอื่นไม่ใช่ค า, าดคั้นเนเดาประมาณการหรือว่าเรียนแล้วก็รู้ทั้งหมดไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาจุดนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าผู้ปฏิบัติคือยังไงท่านให้นั่งสมาธิอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า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 ในขณะนั้นจากนั้นใจของเราจึงรวมสงบ เ, ออเป็นหนึ่งเมื่อใจใจของเรารวมสงบแล้วจึงเกิดความรู้ขึ้นมานียอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาถ้าพวกเราอยากจะรู้เมื่อเรียนรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรออท่านปฏิบัติอย่างไรนี่ก็รู้แนวทางเลยเราก็นั่งขัดสมาธิอย่างพพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อนั่งสมาธิแล้วก็กาหนดลมหายใจเข้า แต่หลวงปู่มั่นนะสายหลวงปู่มั่นที่ลุกพ่อได้ศึกษามาท่านบอกว่าถ้ากำหนดลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเฉยเฉมันหลงมันลืมมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายควรจะสำทับกับพุทโธเขาอีกหนะ้หายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโธพุทโธอย่าให้มันออกไปข้างนอกบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก ถ้ามันเผลอไปกันดึงกลับคืนมาให้มันอยู่ที่เก่าเราพยายามหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีจากนั้นใจของเราก็จะรวมหน่งเป็นหนึ่งลงได้เมื่อจิตใจรวมสงบแล้วใจเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เราจะได้สัมผัสโอ้ชาจิตใจสงบนี่มีความสุขจริงจิตใจไม่พุ่งไม่พุ้งไม่สานจิตใจไม่ถึงไม่คิดถึงอดีตอนาคตจิตใจนิ่งจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งมีความสุขจริงอย่างที่พระพุทธ เ, เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไวจ้จริงๆนัตติสันติปรังสุ ข, ขังหาความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ที่จริงๆยอมรับยอมรับโดยการประพฤติธปฏิบัตินะก็น่าจะทายาตโยม นั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนสรุปแล้วให้เป็นให้เป็นคิดดีทำดีพูดดีตลอดทั้งชีวิตนั่นแหะสิ่งนี้ที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำลงไปแล้วสิ่งที่มันไม่ดีจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่พระพุทธเจ้าให้โอวาทปฏิโมกเพราะผลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแ่ี่พันพระธรรมมขันมันไม่ใช่น้อยมากจริงๆเลยแต่้น เราจะเอาแง่ไหนมุมไหนเอามาบอกมากล่าวมาสอนกันมันมีเยอะแยะไปหมดเลยทําคําสอนของพุทธะนะแต่ล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลทั้งนั้นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วนะออย่างพระองค์บอกว่าหัคตังลุกกตังเสยโยปัชชาตะปฏิทุกกตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง น, ะนี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้บางคนก็ทษ ว, ว่าตัวเองฉลาด เ, เมื่อทำลงไปแล้วนะพอกราชั่วให้ผลเท่านั้นแหละตัวเองอทุกทนทุกทรมานทางด้านจิตใจนั่นะแหละไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นให้สำรวมระวังไว้ดีกว่านะสิ่งไหนที่มันผิดที่มันไม่ถูก กฎหมายเขาบอกแล้วเราก็สำรวมระวังอย่าไปทํำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นเว้นเสียแต่ว่าเราไม่รู้ทะเละทรายถลําเข้าไปอันนั้นถ้ามีคนบอกกล่าวแล้วก็ต้องขออภายัยเออเราไม่รู้ว่าขออภัยด้วยนะจุดนี้เนะี่ยเรก็ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ปฏิบัติจะไม่ทําสิ่งนั้นอีกต่อไปแนะปลว่าผู้สำรวมระวังเห็นโทษ น, ะนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกๆท่านฮะ ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พวกเราตั้งอตั้งใจเป็นคนดีคิดดีทาดีพูดดีจวนปีใหม่ที่จะถึงนี่แหละให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจของพวกเราในปีสองพันาร้กเนี่ยข้าพเจ้าจะปรับปรุงกายใจของข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะงด ดื่มธุรกตลอดไปพอเห็นโทษแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นข้าไปเจ้าจะงดปุรีข้าไปเจ้าจะงดอาวัยยมุกก็ว่ากันไปหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าเราทำสิ่ไหนที่มันไม่ดีในะกายวาจาใจของเราเราสกัดออกสกัดออ ก, ส ก, ออกสกัดออกนะมีแต่สิ่งมีแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะสัาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ ในหลักธรรมคำสอนบอกว่าเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มยังมีกำลังวังชาอยู่ให้เก็บหอมร้อมริบเน่าอย่างในหลวงท่านบอกเศรษฐกิจพอเพียงให้เก็บให้รักษาไว้ทุกสุขคัสาสุขคัษสาสะนันตรงังตรังทุกขังในเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มเรามีแต่เที่ยวเตรสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ติดสนใจ ในเกณฑ์การเก็บหอมรอมริบเรื่องทรัพสมบัติมีแต่เที่ยวสนุกสนานแต่เมื่ออายุปลายมืออายุแก่ขึ้นมาจะมีความทุกข์เพราะเราไม่ได้สะสมเก็บไว้ไม่ได้กักตุนเอาไว้เมื่อใช้เมื่อปลายมือท่านจึงว่าสุขขัดสาสะนันตลาลังทุกขังมีความสุขเบื้องต้นแต่จะมีความทุกข์เมื่อปลายมื อ, อ, อแล้วก็ท่านพูดสามทับอีกว่าทีนี้ ทุกขษาสะนันตะลังสุขขังนะถ้าเราเป็นน้อยหนุ่มมีความทุกข์ในการเรียนในการศึกษาในการสะเสวงหาทรัพย์มีความทุกขปากกัดตีนถีบหาเงินหาคำสร้างฐานะมีความทุกแต่เมื่ออายุปลายมือเมื่ออายุแก่ขึ้นมาเราจะมีความสุขเมื่อปลายมือเพราะเราเตรียมตั้งอยู่ในความไม่ประมาท นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฟังเอาไว้นะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระธรรม 84%00 มพระธรร ม, มะขันท่านพูดไว้หมด เ, เพราะฉนั้นพวกเราจะหยิบยกตัวไหนออกมาบอกกล่าวมาแนะนําสั่งสอนกันนี่แหละด้แล้วจะมีคุณูปการมีแต่มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่านะอาตอนนี้ไปกับวันพุธนี้อย่าลืมนะพวกเราจะมีการทอดผ้า ป, ป่าสามคัคคีหาทุน เพื่อบำรุงสวนแสงธรรมของพวกเร า, เาแล้วก็วันที่25อทิตย์ที่25นะเนี่ยวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมมนธนิยกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจขุนพรศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระทสง์อนุภภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ